บทที่ห้าสิบห้าแม้จะทรงพระนามว่าอโศกก็ต้องถึงแล้วซึ่งความโศกเวลาใกล้เข้ามาเต <Heh. S 2> ็มท <music> ีแล้วเวลาแห่งการสูญเสียและพลัดพรากตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า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 ทรัพสมบัติในพระกลังหลวงก็จะหมดสิ้นเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชจะไม่มีอะไรเหลือดังนั้นพระยุพราชจึงทรงห้ามขุนคลังมิให้จ่ายพระราชทรัพย์ใดๆแก่พระราชาเป็นราชประเพณีในครั้งนั้นว่าภาชนะที่ใส่เครื่องเสวยของพระราชานจะต้องเป็นภาชนะทองคำเมื่อราชบุรุษนาภาชนะเครื่องเสวยเข้าถวาย เสวยเสร็จแล้วก็รับสั่งให้นําภาชนะนั้นไปถวายสงฆ์ณกุกุตารามต่อมาเขาจัดพระกิาหารถวายพระด้วยภาชนะเงินพระองค์รับสั่งให้นําไปถวายสงฆ์เสียอีกเขาจัดถวายด้วยภาชนะเหล็กพระองค์ก็รับสั่งให้นําไปถวายสงฆ์ในที่สุดเขาจัดถวายด้วยภาชนะดินหมดสิ้นแล้วในพระราชะอํานาจ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 ที่กุบกุตารามและจงมอบลงแทบเท้าของท่านในนามของเราว่าขอสง์จงดูความพิบัติแห่งราชทรัพ์ของพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งชมพูทวีปเถิดสิ่งนี้เป็นปัจชิมทานของพระองค์ขอได้โปรดเฉลี่ยให้ทั่วสงฆ์ในอารามด้วยเถิดนี่เป็นความประสงค์ของผู้บริจาค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 เมื่อจะกล่าวโดยสรุปคำพูดหรือข้อยืนยันทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายศิลาจารึกและฝ่ายหลักฐานจากปรกรณ์รุ่นหลังคำพีมหาวงจึงถือว่าถูกต้องด้วยกันทั้งสองฝ่ายเป็นสิ่งแปลกประราดและหายากอย่างยิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินในอินเดียหรือนยุโรปจะอุทิศพระองค์เองให้แก่การดำเนินชีวิต